3. ปัญหาปุจฉะกร6อ9บประอัปปมัญญาสี่ได้แก่ภิกษุในธรรมินัยนี้คือ 1. มีจิตสหรคตรด้วยเมตรรตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นนั้นทิศที่สามทิศที่สีก็เช่นนั้นทิศ เ, เบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกัน มีจิตส ร, รุดคดด้วยเมตตาอันไพบูร์กว้างขวางหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ 2. มีจิตส ร, รุดคดด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นนั้นทิศที่สามทิศที่สก็เช่นนั้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกัน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 มีจิตสหรคตด้วยมุทิตาภัยบุญกว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมูเ่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่สมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศ ท, ที่สองก็เช่นนั้นทิศ ท, ที่สาทิศ ท, ที่สี่ก็เช่นนั้น ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหอรคตด้วยอุเบกขาอันไพบูม์กว้างขวางหาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแพ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ติกกะมาติกาปุจฉาทุ ก, กะมาติกาปุจฉาเจ็ดร้อย บรรดาอัปปมัญญาสอัปปมัญญาเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพญากฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งติกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งถึกุศลติกาที่วิสัชนาเจ็อเอดอัปปมัญญาสี่ที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอัพพยากฤตก็มีอัปปมัญญาสามสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอัปปมัญญาสี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอัปปมัญญาสี่ ทีการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยิดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอัปปมัญญาสี่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอัปปมัญญาสามที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มี อุเบกขาไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อัปมัญญาสาที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีแต่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีอุเบกขาสหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอัปมัญญาสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเพื่องบนสาม อัปปมัญญาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเพึ่งบนสามอัปปมัญญาสี่ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นของเสกขบุคคลและอาจเสกขบุคคลอัปปมัญญาสี่เป็นมหคัต กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตฐะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอปปมานะเป็นอารมณ์อปปมัญญาสี่เป็นชั้นกลางอปปมัญญาสี่ให้ผลไม่แน่นอนกล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีอปปมัญญาสีที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีอัปปมัญญาสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อัปปมัญญาสี่ที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีอปปมัญญาสี่มีธรรมภายนอกตนเป็นนารมอปปมัญญาสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิจัชนา 1. เหตุุโคจัชกะวิศัชนา702ดเมตตาเป็นเหตุ อัปปมัญญาสามไม่เป็นเหตุอัปปมัญญาสี่มีเหตุอัปปมัญญาสี่สัมปยุตได้เหตุเมตตาเป็นเหตุและมีเหตุอัปปมัญญาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุอัปปมัญญาสามมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเมตตาเป็นเหตุและสัมปยุตได้เหตุอัปปมัญญาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตได้เหตุอัปปมัญญาสาม สัมปายุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอปปมัญญาสามไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเมตากล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จูลันตระทุกกวิจัชนาอปปมัญญาสี่มีปัจจัยปรุงแต่งอปปมัญญาสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอัปปมัญญาสี่ เห็นไม่ได้อปปมัญญาสี่กระทบไม่ได้อัปปมัญญาสี่ไม่เป็นรูปอปปมัญญาสี่เป็นโลกิยะอปปมัญญาสี่จิตบางดวงรู้ได้อปปมัญญาสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้สามอาสวะโคจตชะกะพิสัตชนาอปปมัญญาสีไม่เป็นอาสวะ อปปมัญญาสี่เป็นอารมณ์ของอาสวะอปปมัญญาสี่วิปยุตจากอาสวะอปปมัญญาสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอปปมัญญาสี่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอปปมัญญาสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ หรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะอัปปมัญญาสี่วิปยุทธจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะ4ี่ถึงสิสัญโยชนโคจัชกาธิวิสัชนาอปปมัญญาสี่ไม่เป็นสัญโยตไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวร ไม่เป็นปรามาตย์อปปมัญญาสีรับรู้อารมณ์ได้อปปมัญญาสีไม่เป็นจิตอปปมัญญาสีเป็นเจตสิกอปปมัญญาสีสัมปยุทธ์ด้วยจิตอปปมัญญาสีละคนกับจิตอปปมัญญาสีมีจิตเป็นสมุทฐานอปปมัญญาสีเกิดพร้อมกับจิต อปปามัญญาสี่เป็นไปตามจิตอปปมัญญาสี่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานอปปมัญญาสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตอปปมัญญาสี่ระกคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตอปปมัญญาสีเป็นภายนอก อปปมัญญาสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปอปปมัญญาสี่ที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 13. ปิติทุกขกวิจัชนาะอปปมัญญาสี่ไม่เป็นอุปาทานเป็นต้นละไม่เป็นกิเลสละ อัปปมัญญาสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอัปปมัญญาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอัปปมัญญาสามที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอุเบกขาไม่มีวิตกอัปปมัญญาสามที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอุเบกขา ไม่มีวิจารณ์อัปปมัญญาสามที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก mm. okay. okay. nah. ็มีอุเบกขาไม่มีปีติอัปปมัญญาสามที่สะหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอุเบกขาไม่สหรคตด้วยปีติอัปปมัญญาสาสหรคตด้วยสุขอุเบกขาไม่สหรคตด้วยสุข อปปามัญญาสามไม่สหรคตด้วยอุเบกขาอุเบกขาสหรคตด้วยอุเบกขาอปปมัญญาสี่ไม่เป็นกามาวจรอปปมัญญาสี่เป็นรูปาวจรอปปมัญญาสี่ไม่เป็นอรูปาวจรอปปามัญญาสี่เป็นโลพิยะอปปมัญญาสี่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุก อปปมัญญาสี่ให้ผลไม่แน่นอนอปปมัญญาสี่มีทำอื่นยิ่งกว่าอปปมัญญาสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉะจบอบปปมัญญาวิพังจบบริบูรณ์ 14. ศสิกขาปทวิพังหนึ่งอภิธรรมาาชี เจ็ดร้อยสามสิกขาบทห้าคือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 2. อธินาธานาเวรมณีสิกขาบท 3. กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. ีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 5. สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณนีสิกขาบท704บรรดาสิกขาบทห้านั้นปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ดยญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใด ในสมัยนั้นการงดการเว้นการงดเว้นการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การไม่ทําการเลิกทํำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ําเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีติกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเวรมณี ปานาติปาตาเวรมณีติขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคดิโสมนัต ส, สัมปยุติยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาปานาติปาตาเวรมณีติกขาบทเป็นชไหนจิตที่เป็นกามาว จ, จรซึ่งเป็นกุศลสหรฆดิโสมนัตสัมปยุทธิยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้นทัสธะ ปักคาหะและอวิเคปาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคฆดิโสมณัตสัมปยุทธิญานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคฆดิโสมนัตวิปยุทธจากยานสหรคฆดิโสมนัต วิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุต ด, ด้วยยานสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุต ด, ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด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 ปานาติปาตาเวรมณีศิขาบทเป็นฉไฉจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้ เรียกว่าปานาติปาตาเวรมนีสิกขาบทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ได้เจตนาปานาติปาตาเวรมนีสิกขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคด้วยอุเบกขาวิยปยุทธจากญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะปักคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท706อยธินาธานาเวรมณีสิกขาบทเป็นต้นละกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบทละมุสาวาทาเวรมณีสิกขาบทเป็นต้นละ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฐานาเวพระมณีติขาบทเป็นฉไฉจิตที่เป็นการมาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตได้โสมนัสสำปรยุตได้ญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยใดในสมัยนั้นการงดการเว้นการงดเว้นการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการไม่ทําการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ําเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรยะมัชฌปมาทัฐานาเวรมณีจิกขาบทสภาวธรรมที่เหลือ ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณีสุราเมรยมชัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีติขาบทเป็นชนหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรสคดิโสมนัตสัมปยุตดิยาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเป้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยใดในสมัยนั้น ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมระยะมัชพบมาทัฏฐานาเวรมณีติกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุธทธด้วยเจตนาสุราเมระยมัชพบมาทัฏฐานาเวรมณีติกขาบทเป็นฉไฉจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล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 สุราเมระยมัชพบมาทฐานาเวรมณีสิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคดิโสมณัตสัมบยุติญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคดิโสมนัตวิปยุตจากญาณสหรคดิโสมนัตวิปยุตจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคดด้วยอุเบกขาสัมบยุติญาณ สหรคตด้วยอยุเบกขาสัมปยุตได้ยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอยุเบกขาสัมปยุตได้ยานสหรคตด้วยอยุเบกขาวิปยุตจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นการงดการเว้น การงดเว้นการเว้นขาดจากการดื่มและเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการไม่ทำการเลิกทำการไม่ร่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งการดื่มน้ะเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรัยะมัชชปมาธทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยเวรมณี707สุราเมรยมัชประมาทัานาเวรมณีติขาบทเป็นไฉนะจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล ส, สหอรคตด้วยอุเบขาวิปยุทธจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท โดยมีเหตุจักจู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมริยมชัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสุราเมริยมชัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาบท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 สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาบท708ดสิกขาบท5คือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 2. องธินาธานาเวรมณีสิกขาบท 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. มุสาวาธาเวรมณีสิกขาบท หาสุราเมรยมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณนีสิกขาบท709ร้อยก้าบรรดาสิกขาบท5านั้นปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาบทเป็นไฉไหนะจิตที่เป็นกามาวาจรซึ่งเป็นกุศลสหรสคดิโสมนัต ส, สัมบุญติยานเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นชั้นธทาตทิปไตย วิริยาทิปไตยจิตตาทิปไตยวิมังสาทิปไตยเป็นฉันทาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเป็นจิตตาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิมังสาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณี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 สภาวัรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเวบรามณีปานาติปาตาเวบรามณีสิกขาบทเป็นไฉไหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรตดยโสมณัตสัมปยุทธ์ดิยาเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นชั้นทาธิปไตวิริยาทิปไตจิตตาธิปไตวิมังสาธิปไต เป็นฉันธาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีตเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีตเป็นจิตตาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีตเป็นวิมังสาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีตเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้น ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีติขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาปานาติปาตาเวรมณีติขาบทเป็นฉไหนจิตที่เป็นกามาวาจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตรด้วยโสมนัต ส, สัมปยุทธ์ด้วยญาณเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีต เป็นชั้นทาทิปไตยวิริยาทิปไตยจิตตาทิปไตยวิมังสาธิปไตยเป็นชั้นทาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั S> <S ignon, morte, ้นประณีเป็นจิตตาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณี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 เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตได้โสมนัสวิปยุจจากยานสหรคตได้โสมนัสวิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุจด้วยยานสหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุจด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานสหรคตด้วยอุเบกขา วิประยุตจากจานเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นชั้นทาธิปไตยวิิรยาธิปไตยจิตตาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีตเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประนีเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูในสมัยใด ในสมัยนั้นการงดการเว้นการงดเว้นการเว้นจะขาดจากการฆ่าสัตว์การไม่ทาการเลิกทมการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้าเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาพัทธะปักขาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีติกขาบท710อยสธินาธานาเวรมณีติกขาบทเป็นต้นละกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีติกขาบทละมุสาวาทาเวรมณีติกขาบทละ สุราเมีระยะมัชพบมาทัานาเ ว, วรมณีศิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตดิโสมนัตสัมปยุติยานเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีตเป็นชั้นทาธิปไตยวิริยาทิปไตยจิตตาธิปไตยวิมังสาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณี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 ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเวรมณีสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาพัทธะปักขาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีติกขาบท711สุราเมรยะยมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีติกขาบทเป็นไน จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยเบขาวิปยุตจากญานสหรคตด้วยเบขาวิปยุตจากยานเป็นชั้นต่ำชั้นก umm yes ลางชั้นประณีตเป็นชั้นทาธิปไตยวิิรยาธิปไตยจิตตาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีตเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นประณีต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 สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาภัสสะปักคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวบรมณีสิกขาบทสภาวธรรมที่เป็นสิกขา712สภาวธรรมที่เป็นสิกขาเป็นไฉนะจิตที่เป็นการมาวจรซึ่งเป็นกุศล สหฤคด้วยโสมนัสสัมปยุตติยานมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัสดะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขาสภาวะธรรมที่เป็นสิกขาเป็นฉไน จิตที่เป sure ็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรฆดด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรฆดด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณสหรฆดด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้ยญาณสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดย มีเหตุชักจูงสหรคตด้วยเบขาวิปยุตจากญานสหรคตด้วยเบขาวิปยุตจากยานมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขา 713สภาวสธรรมที่เป็นสิกขาเป็นฉนะัยพิสุจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปประพบเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากการบรรลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นพัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขาอภิธรรมภาชนีจบ